เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหุ้มส้นเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีสวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มส้นสวมรองเท้าหุ้มแข้งสวมรองเท้าปกหลังเท้าสวมรองเท้ายัดนุ่นสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทาสวมรองเท้าหูงอน มีรูปทรงคล้ายเขาแกะสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแพะสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายหางแมงป่องสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนนกยูงสวมรองเท้างดงามวิจิตคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนขรหัดผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลาย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 ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทาไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแกะไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแพะไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายหางแมงป่องไม่พึงสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนนกยูง ไม่พึงสวรมรองเท้างดงามวิจิตรรูปใดสวมต้องอาบัตดทุกกฎสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีสวรมรองเท้าคลิปด้วยหนังราชสีสวรมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือโครงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือเหลืองสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือดาวสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนาค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 ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังราชสีไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือโคร่งไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือเหลืองไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือดาวไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนาคไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังแมวไม่พึงสวมรองเท้า คลิปด้วยหนังข้างไม่พึงสวมรองเทา้าคลิปด้วยหนังนกเขารูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฎ